รู้สึกว่าไม่พอใช้โอโ้ยังต้องเรียนอีกเยอะยังต้องไข่ควรยังต้องฟังยังต้องอะไรอีกค่อนข้างมากมันผู้ที่เจริญกุศลธรรมเนี่ยนะมันเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะมันเป็นอริยทรัพย์ภายในอะ่ะมันเป็นเครื่องปลื้มใจภายในอะ่ะถ้าไม่มั่งมีกุศลธรรมเหล่านี้จริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกป่าเนี่ยในที่เงียบเงียบนี่อยู่ไม่ได้ชั่วโมงเดียวยังอยู่ไม่ได้วันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังโยมในรถนี่แหละเขาไปธุระที่วัดที่กุเตนะ วันนั้นเนี่ยเงียบเย็นแล้วเาไปขึ้นขึ้นว่ขึ้นไปนี่รู้สึกกลัวเลยเพราะงั้นไปตั้งสองคนก็บอกกลัวมากเลยนะอ น, นึกถึงว่าเออนี่แล้วจะบวชอยู่ปา่าอย่างนีได้หรอนะเนี่ก็ยังเปลี่ยนใจหรือยังไม่จะบวชต่อหรือไม่บวชชาตหน้าชาตหนังคิดให้ดีนะชาดพระศีอารกันแล้วอาจารย์สันติเขาเขียนจดหมายไปบอกที่น้องปริงสมัยก่อนก็บอกว่าเคยนอนรอ บ, บวชพระพุทธเจ้าองค์หม่ก็พรางั้นๆๆนะตอนนี้ใช้คํานั้นเลยหมายเราฟังแล้วตกใจมากเลยนะบอกจะรอบวชพระพุทธเจ้าองค์หม่เลยนะ มันนานไปหน่อยมังอาจารย์ก็ดูนะว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยจนกว่าจะมองเห็นทุกอย่างแล้วเนี่ยนะน้อมไปให้กรรมฐานแผ่ไว้ทุกแห่งแผ่พระธรรมเอาไว้ให้ทุกแห่งก่อนเหมือนเราเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะอะไรอย่างการเดินทางมาในอินเดียทั้งๆ ท, ที่เป็นประเทศที่เรียว่าไม่ได้ไม่ได้หน้าปราถนาสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลายใช่ไหมทั่วไปเขาบอกว่านะเขาบอกว่าที่ไหนเขาไปได้หมดหนึ่งอินเดียไม่ไป อินเดียไม่ไปจีนไม่ไปคอมเมไม่ไปเนี่ยประเทศทถวๆนี้ก็บอกว่าไม่ยอมไปโดยประการทั้งครวงก็ว่ากันน้นนหจะเหตุผลใดกาตามวันก่อนเนี่ยลูกเจมหวยเนี่ยเจมหวยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะไปนะเขาขอไปแต่เนปาลก็ว่ากัน้นอินเดียไม่ไปได้ไหมก็งั้นก็บอกว่าเอาเรื่องนี้อยากคุยก่อนเลยไปศึกษาธรรมะไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีศรัทธาเองก็ไปเองเดี๋ยวจะลืมเรื่องแขกหมดนะนะลืมแขกยุคนี้จะนึกถึงแต่สมัยพระพุทธการอย่างเ้ยนะ กาจะแจวแล้ว้ันา้าเราพยายามน้อมกรรมฐานเอาไว้กับทุกอารมณ์แล้วฝึกเกียด ก, กันอกุศลวิตกออกไปให้เป็นไปกับกุศลวิตกได้ให้ให้บริบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วเราจะมั่นใจถ้าเรามั่นใจเนี่ยชีวิตแบบไห น, นเราก็คิดว่าใช้ได้หมดเลยเป็นชีวิตที่ไม่ไม่เป็นไปเพื่อการสแสวงหาการมมอะนะอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ได้อยู่ได้จริงๆนะแล้วอยู่อย่างผาสุกด้วยอยู่แบบไม่เครียดด้วย ในนั้นอยู่อย่างสบายถึงจะเดินเนี่ยเนี่ยเห็นนักเดินถนนเนี่ยเดินเท้าเปล่าบนถนนเนี่ยเขามาไม่ได้เดินน้อยกว่าคนเหล่านี้เท่าไหร่นะเดินเท้าเปล่าข้างถนนหน้าจางเนี่ยเดินนานเดินทุกตีเดินไปทัวร์บั่งเดินอะไรวะแต่ว่าใช้ชีวิตเดินอย่างเงี้ยค่อนข้างพอสมควรเลยแหละเดินเนียจนจนสามารถสรุปเลยนะเขามาพูดได้บ่อยๆด้วยว่าถ้าให้คนอื่นไปส่งกับเดินไปเงียบๆเนี่ยขอเลือกเอาอะไรถ้าให้เลือกเลยนยเขามาเลือกเดิน นะเพราะอะไรเพราะเจริญกุศลได้เยอะมากแล้วไม่ต้องรู้สึกว่าต้องเกรงใจอะไรใครเหมือนกันนะรู้สึกเป็นความพาสุขบอกไม่ถูกเนี่ยนะมันเป็นความสุขที่เรียกว่าไม่ต้องอิงสังขารมากนักนะนะมันเป็นความสบายใจแต่ต้องมีกรรมฐานห่อนะแต่ถ้าไม่มีกรรมฐานเดี๋ยวโรคน้อยเนื้อต่ําใจทําบุญอะไรมาไม่ดีมันต้องมาเดินร้อนก็ร้อนเหงื่อก็แตกหิ้วก็หิ้วร่มก็ไม่มีเท้าก็พองมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวโรคสารพัดเข้ามาละ การเจริญกุศลธรรมใ น, ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ไม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระชนอยู่เนี่ยเหลือแต่พระธรรมเนี่ยถ้าเราศึกษาพระธรรมไว้ไม่ดีความปฏิบัติ ด, ดีที่เราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าถามว่าทํามไม่ทาอย่างนั้นละ่ะไม่ทำนะก็ต้องมาแบกซุงอย่างนี้ต่อไปนะถ้าไม่เจริญคิดจะเจริญกุศลธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เราก็ต้องมาอยู่ประกอบอาชีพแบบนี้ เราก็ต้องมาสร้างวัตตะแบบนี้เราก็ต้องมาใช้ชีวิตลักษณะแบบนี้เป็นกรรมกรก่อสร้างเป็นต้นเนี่ยนะเพราะวัตตะทั้งหลายอันยาวนานวัตตะเนี่ยเป็นที่ขึ้นและเป็นที่ลงก็มีการขึ้นการลงมีการมามีการไปมีการจุติและมีการอุบัติมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายนนเมื่อเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะภาวะของผู้เกิดเนี่ยคืออะไรบ้านพักที่อยู่อาศัยที่อยู่นี่ไม่ใช่สร้างง่ายๆใช่ไหม กว่าจะมีที่อยู่เนี่ยนะกว่าจะมีที่ดินเป็นของตนเมื่อมีที่ดินเป็นของตนเอาอิฐหินปูนทรายมาเรียงมาก่อให้มันเป็นรูปร่างเป็นที่นอนอนนะแล้วมีเฟอร์นิเจอร์มีข้าวของเครื่องใช้นนะที่อำนวยความสะดวกระดับหนึ่งมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มแล้วอาหารประจำวันอนะ่ะวันละสามมือวันละสามสามือจะต้องเอามาถมเนี่ยนะวันละสามมือถ้าป่วยขึ้นมาแล้วไปหาหมูอาหาหมอที่ไหนรักษายังไงแล้วต้องประกอบอาชีพอะไรจึงจะอยู่ได้ ชีวิตในวัฏะที่มันยาวนานไม่มีที่จบเนี่ยมันก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แล้วทำยังไงที่เราจะต้องศึกษาธรรมะเนี่ยถึงจะเหนื่อยถึงจะยากถึงจะลําบากแต่ว่าเชื่อของมาเชื่อว่าไม่ได้ลําบากเท่ากับพวกสแสวงหาตามหรอกสแสวงหามหาพูดเหนื่อยจริงๆเนหะ็นไเท่าที่เราดูแต่ละคนเนี่ยนะคนนี้นะทักษยันศึกษาธรรมะเท่ากับเอางี้แล้วกันโดยที่สุดคนเลี้ยงโคนะเช้ามาเนี่ยต้อนโคไปเลี้ยงเย็นก็ต้อนกลับใช่ไหม ถ้าเขาศึกษาธรรมะให้มันจริงจังเท่านั้นนะเท่าเลี้ยงโคเนี่ยเขาได้ดีแน่ น, นะฮะเอาให้จริงแค่นั้นแหะหรือคนขับรถนะลองศึกษาธรรมะเท่ากับขับรถนะได้ดีอีกเหมือนกันนะถ้าพี่อิทิคิดอริยศาสเท่ากับสอนหนังสือกอ็เกือบบรรลุแล้วล่ะฉันว่าเพียงแต่ว่าความ ฝ, ากฝักใฝ่ความชัดเจนเป็นต้นเรามีมากน้อยเพียงใดคือที่กล่าวเนี่ยประสงค์ให้เราเราศึกษาคุณของพระรัตนตรัยให้ให้เข้าใจให้ชัดเจน ถ้าเข้าใจชัดเจนเนี่ยนจนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างเห็นหมู่คนทั้งหลายบอกข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเราเห็นคุณอะไรของพระพุทธเจ้าณแถวนี้บ้าง <Yeah. S 1> เราจึงบอกว่าเราเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในคุณของพระองค์ใช่ไหมเรามีอะไรบ้างนะอย่างเช่นอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไกลาจากกิเลสเหล่านี้วัตถุแห่งกิเลสเหล่านี้ทั้งหมด วัตถุเหล่านี้เป็นที่ต <g Jean Rabbit bulun> no ั้งแห่งกิเลสพระองค์ไม่มีกิเลสในวัตถ like. like ah? ุเหล่านี้เลยคิดยังไงหนอพระองค์จึงไม่มีกิเลสในวัตถุเหล่านี้เพระองค์ไม่มีความเศร้าหมองทางความคิดในอารมณ์เหล่านี้เลยพระองค์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นนี่พระองค์ตรัสรู้อะไรบ้างพระองค์ตรัสรู้ว่ายังไงพระองค์ตรัสรู้ว่ายังไงหนอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่ายังไงเนี่ยสถานที่ที่เหมือนโลกะเทุ่นี่หวั่นไหว ตอนที่พระองค์ดับขันปรินิพานนั้นหมือนโลกกระทาดหวั่นไหวเกิดแสงสว่างอันโอฬารสารู้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นที่ที่พระองค์ดับขันปรินิพัทธ์ที่พระองค์แสดงคำอจักกับปวัตนสูตรก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงที่พระองค์ดับขันปรินิพานหมือนโลกกราต่อสะเถือนสถานหวัน่นนะหวั่นไหวตลอดจนถึงแสงสว่างอันโอฬารเกิด นรกที่มืดมิดสัตว์ในโล ก, กันตนรกก็มองเห็นกันได้อันว่าโอ้ท่านผู้เชิญไม่ใช่มีแต่ข้าพเจ้าวะครับมีท่านผู้เจริญมาด้วยเหมือนกันนั่นก็ที่กุสินาราเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่หลายท่านเขามาโศกะปฏิทิวมากเลยนะเป็นสังเวกวัตถุที่ที่โหดและเลึเลกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะ ละทิ้งเราทั้งหลายไปแล้วหนอเป็นเป็นที่ที่ต้องสลดสังเวชอย่างแท่จริงนะเนี่ยขนาดผู้มีบุญขนาดนี้พระองค์ยังไปแล้วสังขารของเราทั้งหลายเนอะจะไปยังไงถึงพระองค์เนี่ยพระองค์เสด็จไปพระองค์ก็ไปดีแล้วเดี๋ยวนะพระองค์สุขโต ของมูขเราทั้งหลายถ้าเราไม่มีพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะเราก็อาจจะทุกขโตทุกขโตก็คือไปไม่ดีนะทุกขโตกับทุกขติอันเดียวกันพระพุทธเจ้านี่ไปสุขโตคือไปดีแล้วนะไปไปแล้วพ้นคติทั้งปวงนะไปแล้วละทิ้งคติพระองค์นี้ไม่มีการถือกำเนิดไม่มีปฏิสนธิหน้าที่ในะดๆของไม่มีปฏิสนธิอีกแล้ว พันในพสามกําเนิสี่คติห้าวิญญาณทิฏติเจ็ดสัปตาวาด 9, <ม>่ดเก้าก็ไม่มีพระองค์อยู่ณที่นั้นๆเลย<ม>ที่ที่พระองค์ดับขัตนตนีนิพพานไปแล้วเนี่ยนะ แม้แต่คนมีห้าตาก็มองไม่เห็นพระองค์ละทิ้งสรีระอันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกขังมวลมคือขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นแห่งเป็นทุกขธรรมนะมันเป็นธรรมที่เป็นทุกธรรมที่เป็นทุกเพราะว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงอะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกทีนี้ขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็น เป็นเป็นธรรมชาติที่จะต้องมหาบริหารนะนมหาวิการการบริหารขันท่านี่มันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่จริงๆการดูแลขันท่าเป็นเรื่องหนักเรื่องใหญ่แต่สําหรับพุทธชนทั้งหลายผู้ไม่เห็นพระนิพพานก็บริหารขันท่าจนมีความรู้สึกว่าเออสุขดีเหมือนกันในขันท่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นมีแต่ความทุกข์ ทุกพระความไม่เที่ยงทุกพระความไม่จรังยั่งยืนอย่างบริหารความคิดเนี่ยก็บริหารมายากลน่ะบริหารสิ่งที่มันเป็นมายากลบริหารในสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้บริหารสิ่งที่ไม่มั่นคงนะเมื่อกล่าวถึงขันห้าเนี่ยนะขันห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุปมาว่าเหมือนเพชรขาดทำไมเนอขันห้าพระองค์จึงกลัดว่าเป็นเหมือนเพชรจะขาด เพราะว่าขันท่าเนี่ยเป็นแพชยคาตุค่าค่าซึ่งกันและกันอย่างเช่นขันท่านั้นถ้าแบ่งออกมาก็เหลือเป็นรูปกับนามในฝ่ายรูปเองก็ค่าซึ่งกันและกันเด่นนะคือมหาภูต ร, รูปหนึ่งค่ามหาภูตรูปสามมหาภูตรูปสามค่ามหาภูต ร, รูปหนึ่งมหาภูต ร, รูปสองค่ามหาภูต ร, รูปสองแล้วก็มหาภูต ร, รูปเหล่านี้เมื่อค่ากันแล้วก็ค่านามธทําด้วย นามมารมทั้งหลายนามาขันหนึ่งค่านามาขันสามนามาขันสามค่านามขันหนึ่งนามาขันสองค่านามาขันสองทีนี้เมื่อนามาขันมันเห็นค่ากันอย่างนี้แล้วมันก็ผ่าค่ารูปประขันด้วยนั้นขันห้านั้นจึงเป็นเพชฌฆาตอย่างร่างกายของเราทั้งหลายถ้าหากว่าปัตวีธาตุคือเอ็นกระดูกเอ่อเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดลำไส้อะสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเป็นต้นเนี่ยนี่คือปัทวีธาตุปัทวีธาตุเหล่านี้มันมันฆ่ากันเองก็ได้ในขณะเดียวกันปัทวีธาตุเหล่านี้ก็ฆ่าอาโปธาตุฆ่าเตโชธาตุฆ่าวายโอธาตุได้อะส่วนอาโปธาตุคือน้ําดีน้ําเลือดน้ำเสเลดน้ำหนองน้ํามันขน้นน้ํามันเลี้ยนน้าไข่ข้ขอน้ำโม่กเนี่ยนะธรรมชาติเหล่านี้มันก็ฆ่ากันเองด้วย เพราะอาโปธาต์ก็ฆ่าอาโปธาต์ด้วยกันแล้วอาโปธาต์เหล่านี้ก็ยังเป็นพิษไปฆ่าปฐวีธาต์ทั้นอาโปธาต์เหล่านี้ยังฆ่าเตโชธาต์ฆ่าวาโยธาต์ได้ส่วนเตโชธาต์ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายสุดโมทมธาตุไฟที่ทําให้ช่วยย่อยอาหารธาตุไฟที่ทําให้เกิดร่างกายมีความป่วยไข้ธาตุาไฟทั้ง4ประการมันก็เข็นฆ่ากันเอง ในขณะเดียวกันมันก็ยังฆ่าปฐวีธาตุฆ่าอาโปธาตุแล้วก็ฆ่าวายโอธาตุวายโอธาตุคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดตรงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลําไส้ลมหายใจเข้าออกลมเหล่านี้ก็เห็นฆ่ากันเองเห็นไหมธาตุลมฆ่าธาตุลมในขณะเดียวกันมันก็ยังไปฆ่ามาคฆ่าปฐวีธาตุด้วยฆ่าอาโปธาตุด้วยฆ่าวายโอธาตุด้วยเนี่ยนะ ทนมหาภูตารูปมันเข็นมันฆ่าซึ่งกันและกันมันพายาตัวเองวิบัติแล้วก็พาพวกให้เขาวิบัติไปด้วยตัวเองเสียหายก็พาเพื่อนเสียหายแตกทำลายไปด้วยทัานมหากูตารูปเหล่านี้เนี่ยมันเข็นฆ่ากันเองทีนี้ในขณะเดียวกันมหาภูตารูปเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเป็นที่ตั้งแห่งการถูกฆ่าเพราะว่าเวลาเขาทำปาเตียนตานาติบาศเนี่ยฆ่าฆ่าอะไร ก็ฆ่ามหาพูดสงครามก็สงครามฆ่ามหาพูดเขี่ยตีทรมานก็เขี่ยตีมหาพูดเอามาเทียมเกวียนก็เอามาหาพูดนี่แหละมาเทียมเกวียนเนี่ยวิ่งตายพันพวกมหาพูทธ ร, รูปทั้งหลายเนี่ยมันเป็ดเป็นเหตุใกล้ให้เรียกว่ารูปประคันเป็นเหตุใกล้มหาพูทธ ร, รูปคือดินน้ำลมไฟธาตุดินยี่สิบธาต์น้ำสิบสองอาโปเอเตโชสี วาโยหกเนี่ยนะมหาภูตรูปสี่เหล่านี้แหละเป็นเหตุใกล้ให้เรียกว่ารูปประคันเรียกว่ารูปประคันนะนะเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้มีตาพันเวลาเราลืมตามองดูเนี่ยนะเบื้องหลังของเราอยู่เนก็คือมหาพูดมหาผีเห็นะมันมีเป็นเบื้องหลังให้ตามองเห็นมหาพูดมหาผีเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้เราได้ยินเสียงเป็นเหตุใกล้แห่งหูมหาพูดมหาผีเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ ให้มีจมูกคือรู้กลิ่นได้ตอนนี้มีได้กลิ่นไหม <Yeah. S 1> นี่แหละมีมหาพูดเป็นเบื้องหลังกลิ่นก็กลิ่นเนี่ยกลิ่นนี้ก็กลิ่นมหาพูดเนี่ยเพราะว่ากลิ่นนี้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเขามีมหาพูดเป็นเหตุไปลิ้นก็มีมหาพูดเป็นเหตุไปรู้รสก็รู้รสของมหาพูดนั่นแหละตายก็คือเป็นที่สูนรวมของสิ่งที่น่าเกลียดเนี่ยกอายะหมายถึงสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหลาย ร่างกายอันนี้ก็เป็นศูนย์รวมของมหาพูทเป็นแหล่งชุมนุมของมหาผีเห็นไหมทีนี้ก็รับกระทบแล้วก็โพธาภาเนี่ยนะในร่างกายเนี่ยมันเข็นมันฆ่าซึ่งกันและกันะนะเมื่อมหาพูทเหล่านี้มีปัญหามันก็พานนามะธรรมมีปัญหาไปด้วยมหาพูทคือเขาไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันพาอะไรด้วยพาทุกขาดกายญาวิญญาณให้เกิดมหาพูทที่หลังเนี่ยนะที่ที่กระดูก นั่งไปก็บิดไปเมื่อยไปมหาพูดที่เป็นตัสวะก็ุทําให้ปวดตัวดสวะมหาพูดที่เป็นอุจจาระก็พลาให้ปวดอุจจาระทั้นมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นฆ่าเวทนามันฆ่านามธรรมด้วยนั่นเองท่านเราทั้งหลายผู้ร่วมบริหารมหาพูดเช่นเดียวกันเนี่ยควรที่จะกรุณาใจ ก, กันละกันทุกคนเนี่ยมันถ้ามองในแง่การบริหารมหาพูดดูแลมหาพูดเนี่ยนะเป็นภาระเหมือนกัน จะรูปชั่วตัวดำจะตระกูลสูงตระกูลต่ำจะเป็นแพะแกะไก่จะเป็นหมูหม้าจะเป็นคนยากคนไร้เป็นคนเดินถนนคนขับรถคนไปเที่ยวทำ ม, มาหากินเขาเหล่านี้คือพ่อผู้บริหารดูแลมาหาพูดเขาซื่อสัตย์ต่อมาหาพูดมากเขาดูแลมาหาพูดของเข้าเป็นอย่างดีแต่ขะนั้นมาหาพูดมันเชื่อฟังไหมไม่มาหาพูดคือผู้ฆ่ามาหาพูดคือศัตรู แต่ละคนเนี่ยซื่อสัตว์ต่อมหาพูดรูปประคันของเขามากนะเขาจะต้องให้อาหารมันตามการเวลาเขาจะต้องดูแลให้มันมันหิวก็ดื่มมันกระหายก็ดื่มน้ํามันหิวก็หาอาหารให้กินมันง่วงก็ให้มันนอนนะบริหารดูแลมันไปเอาอกเอาใจมันทุกอย่างมันปวดมันเมื่อยก็บีบนวดให้มันเอาใจสารพัดที่จะเอาใจมันแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่เชื่อฟังอะไรเลย นี่มหาพูดทั้งหลายเป็นอย่างนี้พันมหาพูดเหล่านี้โดยที่สุดแม้แต่มหาพูดคือดินน้ำลมไฟที่อยู่ในพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาพูดก็คือมหาพูดอย่างนั้นวันยังค่ําวันที่พระองค์จะดับขันปรินิพานไอ้วันดับขันปรินิพานเนี่ยพระองค์เดินทางไกลาจากเมืองตาวา ม, มาเมืองกุสินาราพรองค์ก็มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความลําบากนั่งพักในระหว่างทางให้ตลอด บางครั้งนี่ก็เหนื่อยหอบแล้วก็นอนอ น, นะตื่นขึ้นมีเรี่ยวมีแรงก็เดินทางต่อไปอีกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะนี่คือการดูแลมหาพูดมันเป็นมหาภาระจริงๆ น, นะผู้ที่โดยที่สุดแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังต้องดูแลบํารุงมหาพูทแต่ว่าพระอรหันต์ท่านมีความรู้สึกว่าการดูแลมหาพูดของท่านเหมือนการบริหารแผลนะเหมือนการรักษาแผล เหมือนอะไรเหมือนคนที่ต้องดูแลภาชนะมันข้นที่มีรูไหลเข้าไหลออกนี่ยนะมันพาตัวของร่างกายของเราก็คือแหล่งมันข้นใช่ไหมถ้าถลกไปนิดเดียวก็เป็นมันข้นนะทีนี้ก็ภาชนะมันข้นที่มีมันข้นไหลเข้าไหลออกก็ต้องคอยดูแลบริหารปกปักรักษามันแต่ว่าถึงใครจะดูแลบำรุงเยียวยารักษาดีปานใดก็าตามมหาพูดเหล่านี้ก็ไม่มีการซื่อสัตย์เลยนะ มหาพูดมันก็เข็นฆ่ากันเองมันเข็นมันฆ่ามันทำลายขณะเดียวกันมหาพูดเหล่านี้ที่มีโทสะเป็นสมุทฐานก็ไปทำลายมหาพูดอันอื่นอีกเนี่ยนะไปทำลายชีวิตของสัตว์อื่นอีกอันเนี้ยคือโทษของมหาพูดอันควรที่เราทั้งหลายจักสังเวช ท, ทรงจำคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่ามหาภูตรูปสี่เหมือนอสรพิษเนี่ยนะกายที่ประชุมด้วยมหาภูตรูปสี่ เปบเหมือนอสรพิษกายอันนี้มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดต้ต้องอบต้องฟันเป็นนิดแต่ก็มีความแตกทําลายสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาการนี้แหละเป็นของเป็นเที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยๆมากๆ นนเราก็จะไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของกายก็จะละความเยื่อใยในกายจะไม่เป็นอยู่ในอํานาจของกายตัดฉันทราคาในกายกายจะเป็นเช่นใดก็เป็นช่างมันเถิดอันน ก, ก็ก็ไม่ไปติดข้องไม่ไปอาวอนถ้ายิ่งเรารู้จริงรู้แท้ในกายเหล่านี้ทิ้งตายอันนี้ก็ไม่ถือเอากายอันใหม่เหมือนสมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทิ้งศรีระมหาภาระทิ้งมหาพูดเหล่านี้แล้ว พระองค์ไม่ถือเอาสรีระไม่ถือเอามหาพูดอันใหม่พ ร, ระองค์สละพระองค์คายมหาพูดได้โดยส่วนเดียวพระองค์นี้ละเลิกมหาพูดเนี่ยนะก็จริงๆพระองค์ตัดใจจากมหาพูดตั้งแต่ต้นพระศรีมหาโพแล้วว่าพระองค์เนี่ยจะไม่เอาใจมหาพูดโดยประการทั้งปวงไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของมหาพูตรูปไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของเพชฌฆาตไม่ตกอยู่ใต้อํานาจอสรพิษไม่ตกอยู่ในอํานาจของผู้ฆ่า แต่หมู่สัตว์ทั้งหลายผู้รุ่มหลงขาดความรู้ขาดความเข้าใจในมหาพูดไม่รู้จักว่ามหาพูดเหล่านี้คือมหาพาระมหาบริหารต้องดูแลบำรุงเยียารักษาแล้วก็มหาวิการแตกทำลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาอันก็หมั่นพิจารณามหาพูดอย่างซ้ายมือเนี่ยนะเขาซื่อสัตว์ต่อมหาพูดเขาต้องปลูกข้าวปลูกอะไรไว้เลี้ยงดูมหาพูดแต่เชื่อไหมเขาก็ทารอวันมหาพูดแตกทาลาย ทิ้งมหาพูดอันนี้จะได้ไปแบกมหาพูดอันใหม่ขอรับใช้มหาพูดนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อมหาพูดซื่อสัตย์ต่อดินน้ำลมไฟแต่ขนาดนั้นดินน้ำลมไฟก็คือดินน้ำลมไฟมันเป็นมหาผีมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงอย่างแท้จริงนั้นที่เราทั้งหลายมาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สละคลายปล่อยวางทิ้งมหาพูดไปก็คือ เป็นผู้ที่หมดภาระจริงๆเป็นผู้ที่ปรงภาระเรียบร้อยแล้วอันภารหันนี้คือผู้ปลงภาระเสร็จแล้วนะเราก็มันพิจารณามหาพูดเพราะว่าผู้ที่พิจารณามหาพูดได้บ่อยเท่าไหร่ก็จะเห็นอะไรเห็นรูปประขันเห็นรูปประคันนี้ในบรรดามหาภูตรูปเนี่ยนะมันมีมหาภูตรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานอย่างที่เราหลายคนพิจารณาไว่าหมูสัตว์ทั้งหลายนี่มาด้วยกรรม ก็ดูเนี่ยมหาพูดคือผมขนเล็บฟันหนังของแต่ละคนเนี่ยผิวไม่เหมือนกันขนไม่เหมือนกันหนังไม่เหมือนกันแม้กระทั่งภายในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกโครงสร้างก็แตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างของมหาพูดที่มีกรรมเป็นสมุทรานกรรมนี้จําเนกให้สัตว์นิเลวประณีตอายุยืนอายุสั้นนั่นนะก็คือความเป็นไปของมหาพูดเป็นผูดเดือดร้อนเรื่องมหาพูดหรือไม่เดือดร้อนเรื่องมหาพูด ก็มีกรรมนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เป็นปัจจัยให้สำคัญนะะดูแลเนี่ยดูนะอันที่จริงเนี่ยการทำปริญญาเรื่องพิจารณามหาพูดเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเห็นคนอื่นเ็าดูแลมหาพูดเราก็พอจะรู้แล้วว่าเออมหาพูดมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยนะเนี๋ยนะ ที่จริงถ้าเราพยายามหมั่นใส่ใจนะว่านั่นอ่ะนี่คือโทษของเขาติดมหาพูดนะเขาจึงมาเดือดร้อนอย่างนี้นะถ้าเราตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้นะว่าเพราะติดข้องในมหาพูดเขาจึงต้องเหน็ดเหนื่อยดูแลมหาพูดอย่างนี้ะนะถ้าใสา่ใจไว้เท่านี้ก็พอและอาทีนะว่าสัญญาจากปรากฏเองภาพที่เห็นเขาบอกว่าภาพภาพเดียวอธิบายได้เป็นหมื่นคำเนี่ยนะ ทางคนจีนเขาว่างั้นนะเขาบอกว่าภาพภาพเดียวเนี่ยอธิบายได้เป็นหมื่นคําเพราะฉะนั้นนี่เรามาเห็นภาพผู้ที่รับใช้มหาพูดที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราก็ทําใจได้เลยว่าถ้าเรามาในสภาพนี้เราก็เป็นอย่างนี้แลเ้เนี่ยนะทันพระองตรัสว่าพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในมหาพูดพอแล้วที่จะคลายกําหนัดในมหาพูดเนี่ยนะว่าเออเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายเขาเป็นอย่างนี้หนอ เพาเขาต้องดูแลเยียวยาเอาอกเอาใจมหาพูดดูแลมหาพูดเป็นอย่างดีเนไะเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็ถูกมหาพูดประหารเข็นฆ่าจนได้นไะมันถ้าวิเคราะห์วิจัยมหาพูดที่เป็นรูปประคันดีก็ เ, เห็นก็เห็นเหมือนอะไรเหมือนก้อนฟองน้ําจริงๆเหมือนกลุ่มฟองน้ําเราทั้งหลายที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยอย่าคิดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวเนะีเป็นก้อนฟองน้ําที่มีสัตว์เกาะอยู่เต็มไปหมดนะ อนุไฮปูสัตว์ที่เกาะผมก็อยู่อาศัยผมเกาะหนังก็อยู่อาศัยหนังเกาะขนก็อยู่อาศัยขนเกาะเอ็นเกาะกระดูกมันก็อยู่ยังงั้นแหละมันก้อนมหาพูดอันนี้เนี่ยมันเป็นที่รวมของสัตว์สารพัดชนิดร่างกายของเราเนี่ยถ้ามองให้ดีจริงๆนะส่วนที่เป็นกรรมสมุทธานี่ตรงนั้นแหละที่เป็นมนุษย์ภูมิที่เหลือนี่มันโดยมากอบายภูมิโดยที่สุดแม้ในลําไส้เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวไหม ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมนั่นแหะที่นั่นก็อบายภูมิด้วยนั่นแหละก็พิจารณาเธอมันไม่ใช่ของใครจริงๆอันพระองค์ตรัสว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียอันนี้จึงเป็นคําที่ดีคําที่ถูกต้องสมบูรณ์จริงๆว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นะอันก็หมันวิเคราะห์หมันพิจารณามหาพูดเพราะว่าผู้ที่เจริญ พ, พูดกรรมฐานคือดินน้ำลมไฟดีเนี่ยนะ พระองตรัสว่าจะสา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้ทีนี้เอ๋บรรดามหาพูดเหล่านี้นยะเราควรจะใส่ใจมหาพูดที่มีจิตเป็นสมุทฐานด้วยนนฝึกมาเจริญดูนะที่นั่งๆกันอยู่นี่มีอะไรเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานที่นั่งนะมหาพูดที่นั่ง น, นั่งนอนๆอนกันอยู่หลับหลับตื่นต่นเดินเดินขับจกักรยานมอเตอร์ไซค์เป็นวัวเป็นควายเดินไปเดินมานั้นเป็นมหาพูดที่มีจิตเป็น สมุทฐานที่เราเรียกว่าอิริยาบถยืนเดินนั่ง น, นอนแม้กระทั่งของธรรมาพูดเสียงดังนังเปล่งนี่ก็เป็นมหาพูดที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะก็พยายามสายใจกิริยาอาการทั้งมวลของมหาพูดก็มีจิตเป็นสมุทฐาน